ปัญหาสุดท้ายในมิลินทปัญหาเล่มนี้ว่าเรียกว่าอาจาริยานาจาริยะปัญหาพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าณเมอาจาริโยณติสาธิโสเมณวิชติสเทวโลกาสเมิงโลกาสเมิงนัตถิเมปฏิปุคโลอันนี้พระองค์ตรัสกับใครชัมปุกะชีวกนีนะชัมปุกะชีวกอืขอโทษ อุปการชีวกเนี่ยนะอุปการชีวกก็ถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านนะนะท่านตรัสรู้ธรรมของใครท่านเออเข้าไปท่านประพฤติสมอัปพระอาจารย์ในาศาสนาของใครหรือนับถือใครองค์ก็บอกว่าอันนะอาจารย์ของเราไม่มีรอกบุคคลผู้สเสมอเหมือนกับเราก็ไม่มีบุคคลผู้เปรียบเทียบได้กับเราก็ไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวดานะั อันนี้ที่หนึ่งะแรกตรัสรู้เนี่ยนะตอนก่อนจะไปแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีฟังพฟงได้ตรัสอย่างนี้อีกที่หนึ่งะยังบอกว่าอิติโขพิกเวอาราโลกาลามอจารโยเมสมาโนแปลว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายท่านอาราละท่านอาลานหรือโอลานเนี่ยนะกาลามโคดผู้เป็นอาจารย์ของเราได้แต่งตั้งเราผู้เป็นศิษย์ให้เป็นผู้เทียมเท่ากับตน ให้เสมอกับอาจารย์ทั้งได้บูชาเราเนี่ยนะผู้เป็นสิทธิ์ด้วยการบูชาที่ยิ่งใหญ่ยอย่างนี้นขัดกันนยะบอกข้างบนบอกว่าณเ mm hmm. นะมอาจาริโยนติข้างล่างบอกว่าอาราะระอ่าอาราะรดาบทกาลามโคตรเป็นอาจารย์ของเราฟังแนละ้มันขัดกันนะ พระคุณเจ้าถ้าหาว่าพระตถาคตได้ตรัสว่าอาจารย์ของเราไม่มีรอกบุคคลผู้เสมอเหมือนเราก็ไม่มีบุคคลผู้เปรียบได้กับเราก็หามีไม่ในโลกพร้อมทั้งเทวดาดังนี้ถ้าจริงใจอย่างนั้นนะคําที่บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายท่านอาลาละกาลามะผู้เป็นอาจารย์ของเราได้แต่งตั้งเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เป็นผู้เท่าเทียนกันกันกบต้น<ๆ>ก็ย่อมไม่ถูกต้องสรุปว่าถ้าพูดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาและอีกอันหนึ่งมันต้องผิดแน่นอน ปัญหาแม้นี้ก็มีสองเงื่อนตกแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหาอันนั้นเถิดพระนาคเสณก็ยอมรับว่ามหาวพิธพระตถาคตตรัดความข้อนี้ไว้ว่าอาจารย์ของเราไม่มีรอกบุคคลผู้เสมอเหมือนเราก็ไม่มีบุคคลผู้เปรียบได้กับเราก็หามีไม่ในโลกพร้อมทั้งเทวดาดังนี้จริงและได้ตรัดไว้อีกว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายท่านอาลาละ อาลาละกาลามะผู้เป็นอาจารย์ของเราได้แต่งตั้งเราผู้เป็นสิทธ์ให้เป็นผู้เท่าเที ย, ทยมกับตนทั้งได้บูชาเราด้วยการบูชาที่ยิ่งใหญ่ดังนี้ก็จริงแต่คำว่านนแต่งตั้งเราผู้เป็นสิทธ์นะนะกาลามะผู้เป็นอาจารย์ของเราแต่งตั้งเราผู้เป็นสิทธ์นั้นนะ่ะหมายเอ า, าความที่พระองค์ทรงเป็นผู้มีอาจารย์ก่อนการตรัสรู้อาจารย์ของพระโพธิสัตว อาจารย์ของผู้ที่ยังไม่ตรัสรู้ น, นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ตรัสรู้ไม่ใช่อาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องแยกกันนะอาจารย์พระโพธิสัตว์กับอาจารย์พระพุทธเจ้าคนละอย่างกันขอถวายพระพรก่อนตราก่อนแต่การตรัสรู้พระองค์ผู้ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทรงมีอาจารย์ถึงห้ากลุ่มด้วยกันหพวก ซึ่งเป็นอาจารย์ที่อนุาสาทพระโพธิสัตว์ให้พระองค์ทรงใช้เวลาตลอดทั้งวันให้ล่วงไปในศาสตร์นั้นๆคือพระองค์ไม่ใช่ว่าไม่เรียนกับใครอะไรเลยแต่วิชาที่เรียนนั้นเป็นโลกิยะวิชาวิชาในวัตตะไม่ใช่วิชาวิวัตะไม่ใช่วิชาแทงตลอดพระนิพพานหรืออริยมรรคไม่ใช่วิชาแทงตลอดกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคหรือวิชาที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าวิชาที่ทําให้เป็นพระสัพพันยู ไม่มีอาจารย์คนไหนสอนแต่ถ้าวิชาธรรมดาทั่วไปพระองค์ก็มีอาจารย์เช่นกลุ่มแรกก่อนมีห้ากลุ่มห้าพวกด้วยกันนะพวกแรกก็คือพราหม์8ดคนที่ทำนายพลักษณะเมื่อคราวพระโพธิสัตว์ประสูติใหม่ๆเช่นท่านราท่านรามะท่านทะชะท่านลักณนะมันตียัญชาคือยัญชาก็คือท่านโกนทัญญ น, นะท่านสุยามและท่านสุโพชสุทั ต, ตะพวกพราหม์ทั้ง8ดนั้นก็ได้สวดถวายโสธีมงคลเนี่ยนะ แรีว่าอวยชัยให้พรให้ความสวัสดีทำการรักษาพระโพธิสัตว์นั้นพวกพราหมณ์นั้นก็จัดว่าเป็นอาจารย์พวกแรกนะก็คือนิมนต์ผู้ใดามาบูชามาถวายงานมงคลผู้นั้นก็นับว่ากลุ่มอาจารย์เหมือนกันขอถวายพระพร ย, ยังมีอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าสุดโททนะพระราชนกของพระองค์ทรงนำพระโพธิสัตว์ให้เข้าไปหาพราหมณ์คนนั้นชื่อว่าสัพพมิตตะ ผู้รู้บทมนชั้นสูงเป็นอภิชาติรู้คำพีพยากรอันมีองค์หทรงใช้พระเต้าทองหลังน้ำเหนือพราหมนั้นมอบกุมารรับสั่งว่าท่านจงฝึกสอนเด็กคนนี้เถิดสัพมิตรพรามผู้นี้ก็จัดว่าเป็นอาจารย์คนที่สองะนะก็เป็นอาจารย์ซึ่งพระองค์ก็ได้เรียนอยู่ด้วยขอถวายพระพรเทวดาผู้ที่ทำให้พระโพธิสัตว์สลดพระไทยคือสังเวชเนี่ยนะ เป็นผู้ที่พระโพธิสัตว์ทรงสดับคําพูดแล้วก็ทรงสลดหวาดหวั่นพระไถยสเสด็จมหาพิเนศกรมในขณะนั้นนั่นเทียวเทวดาตนนั้นก็จัดว่าเป็นอาจารย์บอกเห็นไหมเนี่ยนะที่ที่ตอบคําถามว่านี่คนแก่ใช่ไหมนี่เรียกอะไรเรียกคนแก่นี่เรียกอะไรนี่เรียกว่าคนเจ็บนี่นี่เรียกอะไรเรียกว่าคนตา น, นี่เรียกอะไ ร, เ ร, เ, ร, ะไรเรียกสมณะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งชี้แจงให้ฟังเทวดาที่มาแนะนํานั้นก็นับว่าเป็นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ ขอถวายพระพรยังมีอีกผู้หนึ่งท่านอาลาท่านอาลาลากาลามะผู้สอนบริกรรมจนถึงอากินจัญญายตนาชาลผู้นี้ก็จัดว่าเป็นอาจารย์คนที่สี่ขอถวายพระพรยังมีอีกคนหนึ่งท่านอุทกะดาบทรามบุตรผู้บอกสอนการบริกรรมเนวสัญญาณาสัญญายตนาชาลท่านผู้นี้ก็จัดว่าเป็นอาจารย์คนที่ห้าขอถวายพระพร ก่อนตรัสรู้พระองค์ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทรงมีอาจารย์ห้าพวกเหล่านี้แลแต่ว่าท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอนุอาจารย์ผู้อนุศาสตร์ในโลกียธรรมนะอาจารย์โลกียนนะนะไม่ใช่อาจารย์โลกุตระอัตถกฐานหน้า444บอกว่าล้วนแต่เป็นอาจารย์ผู้อนุศาสตร์โลกียธรรมนั้นน่ะก็คือเป็นอาจารย์ผู้กล่าวสอนวิชาศิลปะทั้งหลายบ้าง สอนพระเวทเป็นต้นบ้างตลอดจนบำเพ็ญฌานสมาธิสมถกรรมฐานทั้งฝ่ายรูปกรรมฐานทั้งฝ่ายอารูปกรรมฐานอันนับล้วนเนื่องในโลคยธิธรรมเป็นธรรมที่ประกอบเอาไว้ในโลกนับเนื่องในโลกทั้งเป็นโลคยธิธรรมที่ไม่ได้เป็นส่วนเป็นปัจจัยไม่ได้เป็นปัจจัยเป็นบาดแก่การบรรลุโล ก, กุตระธรรมคือนิพพานเลยเพราะฉะนั้น นิพพานนั้นนะนะเป็นธรรมที่ข้ามจากโลกขําสอนอวิชาทั้งหมดของทั้งอาลาละดาบทอุตกะดาบทถึงรูปประชานอารูปปัจฉานเหล่านั้นไม่ได้เป็นบาตแห่งวิปัสนาอะไรเลยเพราะท่านถือว่านั่นสูงสุดนั่นสุดยอดแล้วไม่ได้เป็นบาตเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นบาตแห่งการบรรลุมรรคผลจริงสองอาจารย์ก็ได้บรรลุแล้วแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้น ขอถวายพระพรแต่ว่าอาจารย์ผู้ยอดเยี่ยมผู้อนุาสาทพระตถาคตเพื่อการแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณในโลกุตรธรรมนี้หามีไม่อาจารย์ผู้สอนให้กําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แทงตลอดอริยสัจไม่มีขอถวายพระพรพระตถาคตทรงเป็นพระสยามภูผู้ปฏิบัติธรรมได้เองหมดไม่มีอาจารย์เพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงตรัสว่า อาจารย์ของเราไม่มีรอกบุคคลผู้เส ม, เมอเหมือนกับเราก็ไม่มีบุคคลผู้เปรียบได้กับเราหามีไม่ในโลกพร้อมทั้งเท ว, วดานี่ยนะเนะขาคืออาจารย์ในโลกุตรธรรมอาจารย์สอนสัพพันยูเนี่ยไม่มีเป็นสัพพันยูด้วยพระองค์เองด้วยบุญของพระองค์เองด้วยความสามารถของพระองค์เองในประเด็นของโลกุตรธรรมนั้นพระองค์ไม่มีอาจารย์นีนะในประเด็นสัพพันยุตยานด้วยวิชาสามด้วย เป็้ต้นเนี่ยวิชาสามปฏิสามพิธาสี่อภินญาหกไร้ล้ยอย่างไม่ใช่มีผู้ใดแนะนําสั่งสอนพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าดีจริงพระคุณเจ้าครับพระเจ้าขอยอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมาแล้วนี้นะก็ก็เป็นคําถามคําตอบในเมนธะกาปัญหาปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ตอบยากเนี่ยนะถ้าผู้ที่ไม่แตกฉานรอบรู้พระไตรปิฎกเช่นกับพระนาคเษนแล้วเนี่ยนะ ยากที่จะตอบได้ซึ่งก็แต่ละโดยมากเข้ามาเนี่ยถ้าว่าป้าหลวงตอบไม่ได้แม้แต่ปัญหาเดียวให้ตอบเองนะถ้าถ้าทำไม่ได้อ่านมาก่อนไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเนี่ยแทบจะไม่ใช่ฐานะถ้ายิ่งไม่ได้อ่านอัตถิถาด้วยไม่ใช่วิสัยเลยเนี่ยนะท่านก็ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่ได้ศึกษาแนวทางทิศทางทั้งหลายที่พนาเกษณเนี่ยนะได้ตอบพระเจ้ามิเรียนซึ่งก็เป็นกรุณาของพระเจ้ามิเรียนที่สอบถามปัญหาเอาไว้เพื่อตัดความสงสัยใน ชนรุ่นหลังก็คือพวกเราท่านทั้งหลายมันด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ฟังไมลินจนจบเมธะกับปัญหาทั้งเล่มบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นผู้ละความสงสัยได้เด็ดขาดในคุณของพระพุทธเจ้านหายละความสงสัยในคุณพระธรรมและพระสงค์ให้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาตรัสรู้อริยสัจนะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกันนะในที่สุดนี้ขอความ